ขเขาทุกๆคนครับทใจฟังเน้นทุกๆคนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังเนี่ยขาวไม่ดำเขาออกกคือกันถ้าหากเขาตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติมันสะดวกสบายคล้ายๆคือเป็นโครงสร้างอะนนี้ให้มันเป็นรูปเป็นรางขึ้นมา เขาคุกบ้านแป่งเหือนเขาถ้าหักพื้นฐานดีลงหลักลงเข็มดีบ้านหลังนั้นผลทานดีเป็นว่าบ้านหลังใดบ่มีโครงสร้างบ่ลงหลักบ่ลงเข็มสมมุติตึกังี้ยงไงแตกลาวพังไปอันนั้นแสดงว่าบ่าได้มีโครงสร้างโครงสร้างดีแั่ บ้านหลังนั้นคนทานดีเฮาก็คือกันการปฏิบัติทำมาให้มันเข้ารูปเข้ารอยบ่มนี่สิให้ไปตามอารมณ์ให้ไปตามความเห็นให้ไปตามความคิดอนนันใดโบใดมันเให้ไปตามอารมณ์โตเลเดสให้ไปตามความคิดโตเลเดสให้ไปตามความเห็นโตเลเดสบ่มเอง เพิ่งจังหวะให้ฟังเสื้อฟังคําแนะนําของบุคคลผู้เป็นทางเขาจึงจ้างกันปลูกบ้านเจงเขาจ้างกันให้ออกแผน่นออกแผนบ้านหลังนึงราคาเป็นหมืน่นคุณเขาจะจ้างกันและบีสร้างที่ไปปลูก ก, ก็ต้องติดตามแบบตามแผนอ น, นั้นผิดแบบผิดแผนอ น, นั้นก็ต้องมาง เสียเงินเสียทองตืมแล้วมันขาดทุนผู้ไปประมูลก็ได้บางคนบางคนเขาได้กำไร ก, กับเพราะว่าสร้างนั่นแหละเฮ็ดบถกูกับแผนของเขาเขามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันฝึกหัดได้อ น, นอันนี้แหละฝึกหัดทาอีจต้องฝึกหัดรูปกายในสกรอนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอาการกราบการไหว้ การทำวัดเศ้าทำวัดอย่างนี้เป็นการฝึกหัดนอนตื่นเมื่อเศร้าออกมาเดินจม ก, ก้มอันนี้เป็นการฝึกหัดบุญแดงสีว่าอยากเฮ็ดเราเฮ็ดอยากไปล้วไปอันนั้นบุแดงบุญู้นู่เแรล่งก็คือกันอาบน้ำแล้วก็เดินจมก้มเนี่ยที่ผมว่าให้ฟังอันนี้เป็นการฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็น เมื่อเราฝึกหัดรู ก, กายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแปราะคงสร้างหลักฐานมันก็ดีขึ้นมันจะเป็นนิสัยเถิงเวลาเฮ็ดแล้วมันก็เฮ็ดเถิงเวลาทำแล้วมันก็ทำเพราะมันติดได้ครับเขาแอบอย่างใดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดีแอบบ่ดีมันบ่ดีคนเขาเพราะเราฝึกหัดดัดนิดสัยให้เป็น ตัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหากเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขาเรลียงซีโครงสร้างของเขาอย่างซีพระเนนทุกองเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยๆเบิ่งเจ้าญาติโยมทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยๆเบิ่งเจ้ามันมีขวมละอายถ้าหากเขาบริสทธิบุทันรมกับมูที่อย่าพอวายนี่อันนี้มันเป็นแบบแผน เปียกให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างสร้างเขามาออกแทนให้ <c oughs> แล้วก็จ้างนายสร้างมาเบิ่งดูแผ่นนั้นมักแล้วอันนี้ก็ต้องทำรถคันบิ้มักนายสร้างผู้ออกแต่ก็แต้มม่อีกเติมเขาคิดเงินกันว่ามผมรู้จักตะกอนไปยุคกรุงเทพเรื่อรู้จักอาเจียนต่างต่างโอ้โสร้างมันเป็นยังไงกัน จะสร้างโคง้งบ้านเฮามีสีปลูกบ้านแตงเฮือนได้เสาไม่แล้วก็ฝังเสาให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้คางมาตีแท้มันแน่นบ้านหลังใดขันบบฝังเสาดีกระเนิงดูเดียนครับได้ปลูกใหม่แปลงใหม่เนี่ยอันเฮามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือกันให้รู้จักเวลาให้รู้จักการรู้จักงาน ฝึกคนนุ่งผ้าคุณได้ยี่ต่อไปนุ่งผ้าต้องนุ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขนผ้ากับขนนั้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็น่าดูน่าส่งจังวะบมีเรื่องอยังอันนี้เป็นวิธีฝึกให้คุณเห็นส่วนจิตใจบะเนีย่ยเฮาต้องปฏิบัติจริงจริงจังจั ง, จรงเรื่องแรก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 คือเฮาหู้จากคุณค่าของเฮาให้หมดไปเฮาหู้จากจะแบบโลกโลกผูดในมาว่าอยังให้กูกูเก่ง <c oughs> นี่มันว่ากูดีนี่กูเรียนมาแล้วแหน่ผิดแล้วคนว่าคนได้รู้ธรรมะแล้วเสื่อฝังนอ่อน น, ออน้อมถ่อมตนรู้จักเคารพสถานที่อย่างสถานที่ของเราคนมาบ่นหน้าเคารพมาถขอเคารพโล น่านับถือรอดแน่วความจริงข้าจับก็เห็นเขาลบนับถืออันนี้มันเป็นภายนอกเองต้นเฮาหู้หจักธรรมะแล้วเขาลบนับถือไหว้ตัวเองทีเด็ดผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศราครับเพราะผมรู้จักเรื่องนี้เมีมาว่าสู้มู่สู้เพื่อนฝักพยายามข้จริงๆ ปีนี้สำหรับพระเนรเขาออกประตุงผูให้ได้ทำวัดเสาวัตรเดนวาให้ดังยากสูวกคิดว่าเราจีบไ่ได้เป็นหัวหน้าคนถ้าเราดีและเป็นหัวหน้าคนได้ทันทีถ้าหากเราอ่อแอะเ ง, ะ ง, ะ ง, ะงะาะแงะไม่เป็นหัวหน้าคนไดบ่มีดีอยากเถือแล้วคนผู้หันผมบ่ฝึกหัดตัวเองเนียงานใดก็ไปเดินทุดงเนี่ยปประกาศไปนำมู่ แล้วไปเดินทุดองหมายถึงอันใดเฮาจีบุได้รู้จักหมายถึงการขัดเก่าคขวมซัวเฮาอื้อกิเลสอันกิเลสแ่เพราะอันขวมซัวขวมซัวยืดซี่ใดเฮาพยายามเสาะแตะมองให้วไม่เห็นโตเฮาเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นในเหนตุโตเฮาเฮาเห็ดซัวเขาก็เห็นโลทันทีเฮาเฮ็ดดีแล้วก็เห็นโลทันทีเพราะมันอยู่ที่เฮาบ่มีผีบ่อมีเทวดา บนมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาทำให้เขาถ้ า, าเขารูจ้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเขาลบพระธรรมนี่เขาว่าที่เป็นแล้วด้วยที่กำลังเป็นอยู่ด้วยที่กำลังจะมาตัดสะรลู่ข้างหน้านี่ก็คือกันต้องเขารบพระธรรมเนี่พระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิดโตเฮาเนี่ยทาให้เขาเป็นพระเนี่ย เกีวห้มนเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งเขา้าตั้ ง, งโขงลงลากลงผ่านดีนต้องพยายามผิดกันจริงจริงเทงเวลอมเวลาก่นหน้าดูน่าสมเน็ตฟองสามมือมานี่เป็นรูปนึงแล้วได้ดินแเนเามาฝึกหัดกันถ้าหากบรฝึกหัดกันแล้วก็สร้างโขนสร้างเฮ็ดตั้งโขนตังน้ตงไปแล้วมันก็บวกคือพระพุทธเจ้าวานนี่แล้วพุทธานุพุทธังสามสิริทิฏฐิ มันก็บุคือผู้ตัดสู่ตามพระพุทธเจ้ามีสิลและทิฏฐิเสมอกันเนี่ยเขาว่ามีสิ่งคือการมีทิฏฐิคือกันคําว่าทิฏฐิเด้๋ยวคเอื้อนขวมเห็นควมเห็นแบบพระพุทธเจ้าเพื่อจะว่าฝึกหัดเขาว่ากันสั่งพระคุณ น, นั้นเขาว่าซื่อซื่อว่าจะปากขันว่าว่จะปากนะํามันได้ผลน้อยว่าแล้วทําตามมาได้ผลดี อย่างพุทธานุพุทธานี้ก็คือกันอย่าเอาวแต่ปาให้สำนึกอยู่เสม อ, อาว่าเมื่อกี้นี่ก็ยัตษะสัทธาน่ะสวดธรรมวดเศากันเนี่ยัทธาผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเงาว่าอย่าไปวันไหวต่ออารมณ์ภายนอกแล้วกระ บ, บทหนึ่งพูนสวดไวพุท ธ, ธะโลกาธรรมเมหิจ ต, ตังยัตสนะกัมปติ อาโศกกลางวิรัสังเทมังเอตมังขลมามุตตังมังจิตซี้ย่างนี่เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในค่ณว่าพุทธานุพุทธังจิตของผู้ใดตั้งมั่นสัญ่าดีไม่วันไหวต่ออารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์เขาจะมายกย่งองสมเขาก็ตำต่างบ่วันไหวเพราะเขาเห็นพระธรรมแล้ว อันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าองอาโศ ก, กังเป็นจิตบอโศกเศร้าเป็นจิตบอเศร้าหมองอศงมันได้เป็นนางสันมีอย่ของทุกคนนัดบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ทายบอกว่าพระสององค์เจ้าอันเป็นเพชรเป็นทองคำํำมันได้มีอยู่ให้แล้วเฮาหักโบเบิรนตัวเขาไปเบิร์แต่ผู้อื่นพูน ผู้ใดว่าอย่างให้เหาแร่นไปคุ้อารมณ์เขาพ้นนี่มันเป็นไปได้ไหมก็เลยเป็นจิตเศ้าหมองเป็นจิตคุ้นงัวไปซะนี่เป็นแต่ตัวจิตแท้ๆมันบกุ้นหมวมนบกเศ้าหมองคนละคนอาจตกกลางวิละชั่งวันคนว่ า, ว า, วาเป็นจิตที่ไก่จักธุลีคือน้ำที่ต๋มคนว่าเอาเห็ด น, น้าหอยตีนงัวตีนขวยเข า, เ, ขาเ อ, อนาน้ำคุน้นน้นาที่ต๋มบนน้นาคุ้นบนน้าที่ต๋ม ที่ต้มที่คุณนั้นต่างหากอันมันมาให้ให้น้ำคุณแต่ควรจริงน้ำกับต้มแล้วยู่นํากันได้เป็นวายอย่างสัน้นแต่เฮาหักบเบาออกมาใส่มันมีแต่เว้าซื้อๆค ว, วาเว้านั่นคือว่าเว้าร้อยคําพันคํำมื่นคําแสนคําสู้การกระทําการเห็นแจ้งรู้จริ้งขั้งเดียวได้เป็นวายเป็นว่ายอย่างสันงงนนงส้นแต่ตังมั่งขละมุตตั้งมั่งคนเ่าอาศุกังวลสัง เอตามังวิรตังเป็นจิตไรทุรีโนวิรตังเป็นจิตไรทุรีมันโบมีคนวายเอาพระพุทธเจ้าคนวาไว้อันนี้แหละเป็นมงคลของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนวาจิตที่ยากนี้ผู้ได้ทำให้เกิดให้มีในตนแล้วไปใส่มาใส่ใบหมีทุกไม่มีควงมเบือดร้อนคนวานเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เวา มีเจไปสวดเรื่องอันนั้นไปสวดเรื่องอันนี้โตจริงเขาเลยบ่เอามาพูดเอามาสอนกันมันก็เลยบ่ได้รู้บ่ได้เหตุโตจริงมันเป็นอะ่รจริงว่าพวกเขาพระทุกคงเมนทุกคงแม่ข่าวแม่ดําทุกคนอยู่ที่นี่ต้องฝึกหัดออกไปเป็นครูให้มันได้อย่าสูว่ามาฝึกหัดมารอปะแพ้บ่ถึงห า, น, านี่แหละฝึกหัด เบื้องแรกต้องสุกอัดรูปกายสัก้อนให้มันเป็นโครงสร้างคือย่างปลุกเือนนี่แหละฝั่งเสาให้มันดีแล้วก็ตีข่างวางตรงให้มันแน่นหนาเล็บตะปูห้าตะปูสี่อย่างพุกนักสร้างบอกใส่น็อตขันเข้าย้าให้มันทายมันตรงขันเอาเล็บตะปูน้อยๆตีใส่แล้วมันละทายลดสูงเงินมันละโบ้ทอกับโลมพางไปลดนี่ ก็เลยความมั่นคงของเหาก็เลยกิโบมีคนอื่นมาเบิ้งเหากาเลยกิโบยเห็นบอลดูบอนสมเพราะเหานี่เองทำดีทำตัวอันนี้เป็นการฝึกหัดทุกองคต้องฝึกโบฝึกบ่อยใดอยู่ที่นี่ปีที่มันเจ้าคมกันอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าระยะสองสามปีนี่เขาออกไปถึงขูได้โลดเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ถ้าฝึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ทันที อย่าเอานิสัยเดิมๆมาเหตุอย่าเอานิสัยเดิมๆมาวา่าอย่าเอานิสัยเดิมๆมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากรักการรักงานอันนี้เป็นวัลลักษ์รักไปว่าคิดถึงบุญเปนรักผู้หญิงบุญเป็นรักผู้หญิงคุณไหนคุวานรักการรักงานรักเวลารักหน้าที่อันี่จือวะเถิงเวลาเขาต้องคิดเถิงรถซิ่งอื่นๆเอาไว้สักก่อน ท่านเฮตหมาลขอแล้วสร้างกองกระถิ่นสร้างโบสถ์สร้างสลาการผลเลี้ยนสร้างสนนหนทางดีแล้วอันนั้นให้ทานรักษาสตร์สินเจีนเจดีแล้วแปลว่ามันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ยังย่ า, ยานถีย่านเทวดาย่านบาศย่านบุญย้านไปตกนรกอันนั้นมันแก้บ่ได้ มีความสงสัยในหลักพระพุทธศาสนาอยู่อันนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักย่างผมวานี่รู้จักจริงเป็นพี่คือคนทำตัวฟูตัวคิดตัวเ อ, เอื้อนบักถีเนี่ยมีตาทิพย์เห็นอย่างซีบนเร่นตาทิพย์ไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เห็นเนตเห็นเนตสายบนเรืนอันนั้นตาทิพย์อันนี้ หันผู้หยิงทำซั่วผู้ซัวเขาเอินอีผีคือผีว่าถ้าพระเนนองค์ใดทำซัวผู้ซัวกิดซัวเวายากขาบอกพระองค์นี้คือผี เ, ออนเนร อ, องนี้คือผีเ น, อนอผเนี่ยเป็นว่าอย่างสัน้นเขาหักบูชาเขาเอาหนังพ่อหนังแม่เขามาแต่แค้งขาหน้าตามือเท่านั้นเป็นคนใจมันเป็นผีใจมันเป็นเตสใจมันเป็นพญามารใจมันเป็นสัตว์ดิา萨 ตาเหานโเห็นได้อันจับโบธุก้วยมือมองบดเห็น้วยตาเห็นด้วยตาทิพย์พล อ, อันวัดทิพย์ระจกรตูตาทิพย์พล อ, อันทิพย์พระจักรตูนิจักหูอินรีพังสร้างวาถ้าหากวาญาติโยมทำดีพูดดีคิดดีเอินพระทำพระทำการพระทำงานพระพูดพระคิดเอินพระทำ ถ้าส่งผู้เสื้อฟังคำสอนของพะระพุทธเจ้าแล้วปักพุธปฏิบัติตามนี่เขาเป็นพระส่งโดยสมมุติถ้าแท้ๆด้านนี้นอยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วต้งซีล์จำได้โลนอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดมิตรใสสันดานของเขาให้มันดีขึ้นเมื่อเขาดีแล้วน่ะไปไซก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็นน่คนว่า เมื่อคนไปใส่เแล้อเขาไปใส่แล้วคนพบหน้าเห็นตาเขาแล้วจุ้ยสุบจุ้ยปากบานผมอุนจุย้ยศพจุ้ยปากโบยักปากโบยักบอลเขาเบืเ่อวะยังง เ, เขาเบื่อเขาโบยักเว้าน่ะให้เข า, เ า, าสำนึกอยู่เสมอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขานี้เอ า, าพระธรรมมาไว้กับเขานี้ เอาพระทรงอะไรกับเขานี่พันว่าเอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาใกล้กับเขานี่ให้เมดอันอดีตซาดแล้วซาดก่อนอย่ามาเวาเถืออดีตเมื่อวานนี่ก็เอายามาวเทือเหมันแล้วไปแล้วมันแก้บ่ได้อนาคตเมือ่ออื่นก็ทําสร้างปีหน้าก็ตามซาต์หน้าก็้างมันจะแก้ปัญหาเบ่ได้อันนี้แก้ได้เฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้เที่ยงพันว่ามันบ่ดีเราเลิกโลดดองเสีย นุ่งผ้าแบบนั้นมันบูรุษลักษณะพระพุทธเจ้าสอนก็นเลิกโลดมาหนุ่งแบบมันถูกขันคมผ้าแบบนั้นมันบูรุษลักษณะของพระพุทธเจ้าสอนก็นกนเลิกโลดมาเฮ็เคื่อมูน้นันคนว่าตัดตะรูตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฐิเสมุ่งกันพวกคนนี้ให้คือกันกับงามขึ้นโลดเป็นรูปเป็นลางเป็นโครงสร้างเนี่ย คนมีผู้มาพบเห็นมนไทยเฮาเนี่ยแหละเห็นกันไม่ผู้อื่นแล้วบัดนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นโอ้น่าเลื่อมใสเว้ยพระเนนอยู่ทับหนึ่งขวดแหนะขจะว่าเอ็นบ่แม่นผู้นั้นผู้นี้เนี่คือกันเลยบ่แม่นว่าผู้นั้นเฮ็ดจังสันผู้นี้เฮ็ดจังสีมันก็ไปกันไปย่างกับตะเตะแข่งเตะขากันไปสนัะบ่สนย่างกัน ตามหลังกันไปคือตัวพวกตันีมดในปนว่ามีอันใดข่วงหน้าข่วงตั ก, กัดไปหมดแต่ตัวพวกหลงหเห่าออกไม่เที่ยงใส่ขวางมันหนึ่งเนี่ยแล่นส่วนหาลบพัดมาขัดข้องทางกูเสียดสต์ตัวพวกกัดออกไปโมดใน่นัญหานี่เขาก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขนอนตื่นมื่อเช้ามาอย่าทรงเสี่ยงพยายามทํา่ึยคอ ย, คอยลุกออกมาคนใด หากว่าบทันางเธอขัต้องมันน่งสร้างจังหวะแห่งแหงนั่งสร้างจังหวะก่อนพอเขาลุกใหม้ดิลุกออกมามันยักนอนแล้วบ่นเนี่ยมังงวงแล้วแจะลางหน้าออกมาเดินจงกลมพอดีได้เวลาตีละคังแล้วเขาก็มาตีละคังต้องพอเขาเดินจงกลมอยู่นี้แล้วเด้บ่นเนี่ยทึบพร้อมกันลถคือตกปวกโต มดตัดไม้ออกจากหัวทางของรถเนี่ยมันพร้อมกันควมพร้อมเพียงนั่นแหละเป็นโซกเป็นลาพันพึ่งควมพร้อมเพียงความสวยงามเนี่ยปฏิบัติธรรมให้มันก้าวหน้ากันหน่อยนะครับถ้าความบ่พร้อมเพียงกันแล้วกับบ่เป็นลาบ่าเป็นโซกแล้วปฏิบัติธรร ม, มา ก, กับบ่ก้าวหน้าแล้วเป็นอย่างไรจิงว่ามือแรงก็คือกันอาบน้ำ ม, มาแล้ว นั่งตั้งจังหวะสัาากพักหนึ่งล้ว ก, มมกม็มาเดินจมกม้มมาเดินจมก้มเมื่อมาเดินจมก้มพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครั้งแล้วมาทีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ทาวัดทําวัดเสร็จแล้วเพื่นก็ บ, บอกเฮาอบรมเฮา เมื่อออบรมดีแล้วเขาก็นำไปปฏิบัติฟังคาแนะนาเพิ่นเมื่อฟังคาแนะนาเพิ่นล้วก็จาได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเขาต้องพยายามเบิงเบิง่งจิตใจมันคิดอย่างนี้นก็ต้องเบิงมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมันอันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจ นี่เป็นวาสันป่วนจิตใจนั้นแทบบอกกันบุกินแล้วมันมองบุเห็นมันคิดให้รู้อันนี้วาสันั้นมันคิดให้รู้บุบม่นมันคิดแล้วให้เข้าไปในผมคิด เ, ด, ด, ด, เคคด้มันคิดแล้วรู้มันคิดแล้วรู้รู้แล้วตัดทิ้งเลยอย่าไปตามควมคิดมันคิดแล้วรู้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามควมคิดนี้ คนนี้นั่มาจิตสั้นเข้าสั้นเข้าเกิดญาณปัญญาญาปัญญาเป็นจริงแล้วอันนั่นแหละคุณว่าพระพุทธเจ้าคุณสอนเอาไว้หลยนะว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาค ต, าน ต, าคตนนบนนีเ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธ เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าฝันว่าไปเพราที่ซีนี้ฝันว่าวทั้งหลายเราผู้เป็นตถาค ต, ตไปถึงแหล่งแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตรถาคตนี้เขาต้องให้ย่างพระพุทธเจ้านั้นบ่มากกันน้อยเขาเฮ็ดมากก็ดีแล้วว่จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้ มีอคือกันลู่คือกั น, กกนพระพุทธเจ้าเึ็นคนอินเดียว่าในอินเดียอันนี้ผมมันเป็นคนไทยเนี่ยคนบวัดบูหม่มคนอำเภอเสียงขานคนจังหวัดเลยม้เมืองลาวคนซ้ําก็พูดภาษาอีสานเด่นไม่ได้พูดภาษากลางเด่นแล้วก็ฟังได้คนภาคกลางก็ฟังได้คนภาคใต้ภาคเหนือก็ฟังได้แต่หากเอาบสํานานฟังกับฟังนนทีบทเซน พราะมันคนภาคกลางเป็นอย่างนึงฟังเป็นภาษาบโบได้เป็นภาษาบาลนบาลีดียังน่รู้เรืองต้นนั้นเลิกละได้เรื่องเลืกงามยามดีผีเ ท, ท, ทวดานี่มัดผมเครื่องรางของขังไส่นังบังฟันนี่ผมมัดสิ่งเสพติดทุกประเภทผมเลิกได้มัดเบ็ดขาดเลยมาเดียบ <c oughs> จนถึงทุกมือนีอน้รู้เบื้องต้น ขั้นที่สองมาผมเรื่องโทสะโมหะโลภะนิสบางไปโลดทันทีเนี่ยขั้นที่ซี่มาสูตรมันเป็นมาที่เราให้ฝังสุดสำลักเนี่ยควมยึดมั่นถือมั่นอุปทานต่างๆเนี่ยจางไปโลดนีขั้นขั้นต่อมากันรู้จักสิ่ลดผมเห็นสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันศาสตนีเห็นมาโลดเป็น แล้วก็รู้จักสมถกรรมฐ า, านไปยังสั้นนี่ศาสนามาจังซีรู้จักจกังสีที่ผมนํา ม, มาเล่าให้ฟังเนยพวกเขาก็ต้องตั้งใจให้มันรูปเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาปฏิบัติท่านเป็นจังสี่หล่อเบืองขั้นต่อมาก็รู้จักว่าทําบาปทําบุญไปตกนรกจังไดไปขึ้นสวรรค์จังใดเนี่ยรู้จักมาจัางสีเป็นสู้เป็นสู้นี่เป็นขั้นเป็นตอนมา ตามสำหรับตาราครูบาอาจารย์พันวาไว้นั้นเป็นปฐมมาซานมีองค์เทหันทุติยมาซมีองค์เท่านั้นตติยมาซมีองค์เท่านั้นจตุทัาลมีองค์เท่านั้นปัญจมาซานมีองค์ท่านั้นง อ, องค์มีองค์ท่าองค์สององค์หนึน่ผมมันไปจันทร์ลอกเรื่องตาา่างเพราะว่าสม ม, มีเครื่องกรองในตัวอยู่แล้ว เพวเขาก็มีเมทุกคนท่าหากสุกผัดดังนันแล้วผมว่ามันเป็นการสะดวกสบายต่อการปฏิบัติธรรมะของอาวุธเก้าหน้าขึ้นไปเป็นอรเป็นการดำรงวงสกุลเป็นการสู้ต่ออายุพระพุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญงอกงามขึ้นมาอย่างที่เฮาว่ากันส่นอนมื่พระธรรมของพระศ า, าสดาสว่างเปียบดวงปทีบ <c oughs> คอยตะกีมอดดูบัดนี้พวกเข้ามาทำหลองเบิ้งถ้าทําของพระศาสดาหให้มันเป็นตะเกียงเจ้าพายุเพื่อให้มันเป็นหลอดไฟฟ้า <c oughs> ให้มันมีความสว่างขึ้นหลองเบิ้งรู้มันคิเป็นทางไหนอันนี้แหละมันเป็นของจริงที่ว่าเป็นปัจจัแท้เป็นของจริงแท้โบเปลี่ยนแปลงที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดรูปมันก็เป็นจังสันยู เ่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ่มครับเป็นจังจันยูเสื่อเหาหลงเหาเลยไปติดบุญซ่าไปติดพิษทีซ่าศาสนาพิษทีอย่างนั้นเนี่ยขังเขา้าวงในมงคนสวดมงคลกัเอาได้สายศิล ม, มานั่งอย่างนั้นนั่งอย่างนี้สวดอย่างนั้นสวดอย่างนี้ผมน้ำมนต์อย่างนั้นผมน้ำมนต์อย่างนี้เนี่มันไม่ไปติดอยู่ข้างนอกมดัด อันนั้นมันเม่นหลักพระพุทธาศาสนาแท้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกห้ามเพราะทาดีอันนั้นเป็นศาสนาเก่าแก <c oughs> ่ศาสนาดึกดํารัพ์นะเจ้าค่ะแต่เราบางคนทําดี <c oughs> เขาญาไปติดญาติไปทําลายเอาไว้หันละสําหรับคนผู้จิตใจอ่อนให้แตกเหดกตายเอาจิตใจเข้มแข็ง เราต้องพยายามสอนสูงขึ้นไปเพราะเราสูงเน่มนุษย์ใจสูงกว่ากันขันมนุษย์ใจอนเน่มันก็ควรเปนมนม็มนุษย์ใจสูงแล้วมันคํามนุษย์ยย ใ, จใจต่ํามนุษย์จใจเศร้าหมองอย่าให้จิตใจต่ําอย่าให้จิตใจเศร้าหมองอย่างที่ผมว่าให้ฟังนี้อันนี้เป็นวิธีที่อบรมหลังจากการทําวัดเศร้าทําวัดเศร้าทําวัดเด่นมีท่าหากผมอยู่ดีมีแหง ผมเจ้ยายามมาเวถ้าผมมาสวดน้มู่โมได้แต่ว่าสวดมนต์ก็ต้องสวดได้จําอย่าสัวบยจับหัดทุกคนหัดสวดจะให้เป็นอาจารย์ได้ถ้าบมฝึกหัดมัน ก, เนาามมกเ็เป็นอาจารย์โมได้แล้วผมบโฝึกหัดตัวเองเนี่ไม่เป็นอะไรผมรและผมตั้งใจฝึกมโนลยผมตึงโยมอยู่เด้ผมไปปฏิบัติธรร ม, ม ตอนเศร้านั้นผมรู้เรื่องนี้ตอนแรงมาผมก็เลยรู้เรื่องโทสพระมหาโลภะนีะ่ผมก็เลยว่าโอ้กูเป็นพระได้แล้วเด้บอลนุ่งกางเกงยีเดียเข่านั้นนี่มันเป็นอะไรนี่กูต้องสอนเรื่องนี้เนี่ยผมวางโครงการเลยจุกเงินหลังนึงให้ว่าเธอไปหลังนั้นนะเมื่อนั้นวางโครงสร้างไว้ระเบียกูยต้องสอนเรื่องนี้วังเสาแน่นๆตีตะปูใยๆใส่น็อตหันเข่ารถโบซ้ายโบซง เงินทุนมมหลังนีโบไซโบส่งแท้เพื่นได้บรรยากาศงดโซ่ไปรถนี่นี่เป็นเงินสดเขาต้องวางหลักฐานเขาที่ให้ยังไปยังต้องวางลากวางฐานมีโครงสร้างคนไวน้ถ้าหากบาม่มีโครงสร้างบม่มีลากมีฐานแล้วมันไม่ดีเลยมันโปวดมันเป๊มันถ่างง่ายเลยไปเป็นครูคนโบดได้เลยที่ผมว่านหลวงพ่อคือกันพระนุมม่นน้อยคือกันแล้วกะ แมวออกพอออกก็คือกันชื่ออย่าพอวานให้มีแนวคว่มคิดไหวญาติเหจะขว่มเกียรติคันมากนายผู้ใดว่ายัางให้ต้องมาทานหลวพอบิ่งะกอนมันควรหรือมันไม่ควรอย่งค่อยเป็นอันนี้ผู้ใดแตะต้องบอได้ปุ๊บปั๊บมับนหอนขึ้นมาบมมุแม่นั่นปฏิบัติธรรมบุถูกแล้วผิดแล้วทศยาว่าเลิอกละได้คว่มยึดมั่นถือมันเลือกละได้มันจางดิ ค่ายค่ายคือน้ำอันมาเข้าของเราล้างหลายเทือน้ำที่มัวบ้านผมเอือน้ำที่มัวแล้วออกไปมิจตไม่เข้าล้วนเป็นอะก็คือน้ำล้างสีน้ำล้างเมื่อล้างหลายเทือมันจืดออกไปเปน็นอะไรเชจึงว่าไทยว่าะสนักก็เรื่องของเขาขเจ้าเบื้องเรื่องของเขาพ e วกเขาทำดีแล้วเด้ไทยซีว่าเั่วอกะย่านี่ของเขาเห็นพระธรรมทำอยู่แล้วนะนี่พระธรรมพระธรรมอันนี้ บุญทีทำอันนี้ภาเว้าอันนี้บุญทีเว้าอันนี้ภาคิดอันนี้บุญทีคิดเพื่อให้เขาอยากนั่นดีว่าถ้าทำนั่นบรต้องไปหาดอคหาบนอื่นถ้าหาเป็นแล้วแล้วหยึดใกล้ๆเขานี้มักผลนิพพานกับยใกล้ๆเขานี้อยู่หน้าภาคเขานี้คือเพชรคือทองคำอันวานั่นแหละคันทามาลอนออกแล้วมันสำเร็จคันยังเป็นต้มเป็มเลยย่อมก่อ ที่ต้มที่เถ็ดในกระบอกสาเร็จแล้วมของต้มของเลนหุ้มยูที่ต้มที่หมวกที่ควายอันใดหุ้มยูมัมนกระบอได้ออกออกมาใส่แล้วอันนี้แหละมีค่ามีราคามากที่สุดคนว่าการให้ทานวัตถุสิ่งของนั้นอยากครูบาอาจารย์เราให้ฟังยิ่งนานแม้ตั้งแต่พื้นดินที่กระตาสร้างได้คนว่ายังบ่เป็นการให้ทานทำย่างสูงสุด เรื่อชีพูซาพระพุทธเจ้าก็คือกันเมื่อเขาตอกดอกไม้โทษบเพี้ยนทา้งหลายที่นาแนนใจผูดดีกับตามซางว่เป็นการปูซาพระพุทธเจ้าคนหนึ่งผู้ใดชี้ปูซาพระพุทธเจ้าผู้ใดที่เห็นอย่างต่อพระพุทธเจ้านั้นต้องฝ่าพุทธธรรมผู้ใดรู้ธรรมเห็นธรรมสมควรแก้ธรรมนั่นแหละซึว่าเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งว่าเป็นการปูซาพระพุทธเจ้าคนหนึ่ง อันปูซาเขาตอกลงในหนังกะดีแล้วให้คนที่จิตใจอ้อนเหตุเขาต้องปูษาด้วยจิตใจเข้มแข็งเอาพระธรรมไปนําเอาพระทรงไปนําเอาพระพุทธเจ้าไปนาไปไสซยาลืมอันมี้เสวะพระธรรมยอมรักษาผู้ประพัติธรรมไม่ให้ตกไปในทิศวะเนี่ยเพื่นว่าเขาเรียกเฮียนมาแล้ว แต่เขาหักโบได้เอวตาพิจารณาเขาไปติดตำลาเนี่ยเป็นไปเสื้อกันไปอย่างสัน้นกาบอย่างนั้นกาบอย่างนี้ผมกาบเด้งจย่างขับประดิบคูบาสอนผมกาบนางผู้เข้าแล้วก็เอาหัวเข้ากับกังเขาขับไปจูบ ก, กันมีละกาบลงก็เอาหัวลงแทบลงตร้คนมันลงขึ้นมนผมได้มานางโอ้นาง จ, จําจอม เฮแค้งกันเราบ่นไหมตัวเองต้องทำมือตัวเองเด้อบนนวบันทนัิตเขาเขาสวดตัวตัวเองตีเตรียมตัวเองได้หรือไม่เป็นมากราบบ่นนั่นงหูเข่าซะแล้ยเอาหัวเข่าสมับป้อมป้อ ง, องเข่าเนี่เข้าไว้แล้วบวชไก่บวให้ค้นเขานี้ตีออกจากทุ่นนองคุณกราบเอามือเฮ็ดอั น, นหัวเข่ามือตั้งขึ้น มันมันคือสิ่งนำงานในใจตัวเองมันสิ่งส่งในใจตัวเองคุณเนี่ยมันมันถูกก็มันเป็นนะท่นมันสิ่งเส้มใจตัวเองบ่ากราบไปกลาบมาหัดมีห้าจังหวะ1นมันเอามือลงสองเอาหัวลง3าเอามือมาใส่เข้า4ี่เอามือมาใส่หน้าอกห้าเอามือมาใส่วางคิวเอ๊ะ มาว่าน้่งโมตตะเราดูนั่งโมตสะพระคะววาตุไปหลอกคนนุ่นาะโอ้อันนี้ว่าอันเดอย่างข่าประดิษฐ์นี่ยมีห้าจังหวัดมันนุย์กระอยู่นี้มันนอนกระอยู่นี้สามเพื่องนอนโตลงนี่นอนก็ให้นอนแั่งี้แต่หนึ่งค่ายคือการบอกแม่คุณนน่นอนไปทางข้างคุณอนอนไปทางเดียวเีโดยมากไม่ออกนี่แล้วพอก็คือกรนบำปเล็ลงไปแล้วกับบรยากิเล็กนั่น้นตักแหงแกปปปปได้ย่าง มันเมื่ฝึกหัดมันเป็นนิสัยมันตรงสันดานขี้หานใหญ่เหตุต้องพยายามฝึกมันจริงๆก็เลยรู้จักกราบเบญจคัปปดิตอันนี้เป็นวิธีเบนจากขัปปดิตมีห้าจา้าหวะไหว้ตัวเองบันเนี่ยยกม้มไหว้ตัวเองเที่ยงเปียหมินเมื่อจักคุณดีกรมงามของเหาแล้วไหว้ตัวเองได้แต่เมื่อนั้นหมายาพ่อเป็น อ, อย่างไรเนาพ่อคำหนึงนอนหรือกับคำหนึง่ง นั่งอยู่กับคำหนึง่งไปใก้กับคำหนึง่งคิดถึงคิดถึงคว่มหูควมหลักคิดถึงขวมตลาดควมบทุกตัวเองมาคิดถึงพระพุทธเจ้าเพื่อตายพระพุทธเจ้าเจ็ดปีคุณหนระือหกปียังได้รู้ได้เห็นยังได้เข้าใจยังได้คุยแท้คน อ, อินเดียผู้ใดเศร้าก็ไปอินเดียก็ได้ผู้ใดมาซศร้ากับมาไปก็คือกันกับไปหามแล้ว ยังมีอยู่เนศาสนาดึกดํบกาบรร์เก่าแก่อย่างนี้อยู่ในประเทศไทเข้ามาในฮอดเมืองไทยเอาทีแล้วดี๋พุทธศ า, าสนาแก้งแทนนั้นจริงวะมีน้อยเพราะคนที่ปฏิบัติเด้ไปปฏิบัติจะเอาบุญจะใส่หับุญบุญคือมันไม่ทุกเนี่ยอันมันไม่ทุกเนี่ยเผอาะเอมาบุญเศร้าเนี่ยเฮ้วะเห็นคนใด้นั่งส บ, บายอยู่กับบุญเศร้ายังยุตใส่หัว่เป็นต่ยนใื้อ เพราะมันม่มีตาทิพนั่นแหละนี่คุณว่าอย่างจรงว่าที่นามาว่า้ฟังหลังจากการทำวัดเต้าการนึกว่าทุกคนจำได้ง่ายๆวางโครงสร้างคืออย่างว่านี่แหละให้มันงามขึ้นพร้อมการทำวัดเต้าทำวัดเด่นแล้วก็ผู้ใดทำเป็นแล้วก็ต้องให้มันเป็นไปว่าให้มันดังผู้นาพยายามทำนั่งตรงตรงย้ายมงโนงมเหวพยายาม เาอาซอฟนั่งสงบมันโบสงบอันนั้นควมสงบไปว่าหยุดที่ผมอย่างหู้จักหยุดละบัดเนวยว่านบาไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ใดละเพื่อคนสงบอันนี้ที่ยังนคนสงบในหลักพระพุทธศาสนาถ้าหากเขาสแสวงหาครูห า, หาอาจารย์อยู่โบสงบมันจะสงบตายไม่หยังใส่สงบว่าคุณเาสาเสน่หจที่ไาไผ มันจบหลักสูตรมนแล้วมันสําเร็จมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปหาใครเลยเนี่พื่อว่าแต่ว่าผมบอได้เลยพระพุทธเจ้าผม เ, เพียงเพียงรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทึ่งนํามาแนะนําพวกเขาหลังจากการทําวัดเตามือนี้ทํรราวัดเตากเว้าสู้ฟังทำรรวัดเจงกเว้าสู้ฟังเพื่อให้เราทุกคนเอาไปใั่กับยีวิตของเขาจริงๆตื่นรู้ฝึกกันจริงๆฝึกกันทางโครงสร้าง ปกการทางจิตใจให้เข้าใจอย่างสั้นผู้ใดขี้คานเราไรนี้มันเปลียนสถานที่ใส่ฟืนใส่ไฟใส่เสื้อใส่ผ้าเป็นอย่างสั้นแล้วการที่ยื้ที่อาศัยมันขับต้องการคนดีคนดูดีเอามาไว้ให้ยังมันสอนโบได้มันสันดานของผีมันสันดานของสัตว์คนที่ดีมันว่าง่ายสอนง่ายมันก็ได้ก้วงใส่คนคนเดียวสอนมือมันกินร้อนบอ ปีนี้ได้จากสองคนตีหน้าได้จากสี่คนมีสมาธิกขึ้นมาอย่างพญสาพระพุทธเจ้าคุณสอนพญสามีเพื่อนหลายคนไปว่าเอาเพื่อนมาปฏิบัติธรรมะในประศอินเดียก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นสันเอาแหละผมได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแกยเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้พระเนรญาโยรฟังธรรมะที่ผมนาเอาคาสร้างคาสอน ของพระพุทธเจ้ามาเราสู่ฝั่งนี้ผมขออ้างอิงออาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิตใจของพวกเฮาให้พวกเฮาได้ด้วยแจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นขอทีซีนีว่าจัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคต ถ, ถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํมามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้เห็นคือว่าพุทธานุพุทธังอันนึ่อันหนึ่งคือว่าพุทัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังนี้อันนึ่อันนี้เถึงสิ่งที่ทุกคนควรรู้ควรเห็นเพราะน้ำกับต้มนั้นมันไม่ได้อันเดียวกันต้มเลนต่างหากมาให้ท่าน้าคุณน้ํา ม, มันดูคุณ จิตใจเขาก็คือก like ันถ้าห้าเขาหู้จังกันแล้วเขาจะค่อยๆตามไปบริสุทธเจ้าจิตวันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนี่ยคุณว่าจิตใจบริสุทธิ์ขันจิตใจบริสุทธิ์แล้วคิดตงมันก็ไม่ไปให้ท่านนำคนไหนแล้วบุญจิตใจกระพองใส่บุญคิดตงมันก็เป็นตะกรันทะลุก้อนพุ่มบุญจิตใจกระพองใสจิตใจว่องไวมันก็เบาแล้วบุญมันก็มองเห็นอะไร่ังไงจิตใจว่องไว สามารถมองเห็นอันรไดะทุกอย่างใ น, นวานรับขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอันไกลนี้จงทุกทุกคนเธอ <c oughs> <c oughs>